อีกอย่างนึงนะครับคืออย่าว่าผ ม, มายกตัวอย่างตัวเองเลยนะขอโทษทีนะเพราะมันไม่มีตัวอย่างอย่างอื่นนะนะเพราะว่ามันอะไรอ่ะชีวิตมันก็เนี่ยจากเนี่ยตัวอย่างเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอวดมั่งอวดมีหรือว่าอวดความดีของตัวนะขอโทษทีนะคืออตะก่อนนี้เนี่ยผมหากินในเรื่องของของค่าที่ดินใช่ไหมของค่าที่ดินแล้วก็เมื่อสมัยผมเด็กๆนะตอนนั้นยังเป็นนักเรียนในร้อยอยู่ ก็ไปเจอที่ริมทะเลแห่งหนึ่งนะนะหลังเขาสำรยยอดผมก็ไปชวนข อ, ขอตังค์พี่สาวไปนะไปวางมัดจำไว้ยี่สิบกว่าไล่สองสองสองพันห้าริมทะเลมีติดเขาติหน้าทะเลมีเกาะด้วยน ะ, ะเจ้าของหนีเสือหลีดไปอยู่จังหวัดประจวบเขาทิ้งไล่เลยผมก็ไปไปซื้อมาซื้อมาวางมัดจำไปพัน แต่งงานแล้วถึงที่เาเอาเงินจากเมียเขาไปอีกพันห้าไปให้เขาพากันนะไปให้เขาซื้อไว้ได้นะซื้อไว้รถลาเข้าไม่ได้เขาบอกไปลำบากมากเลยมีมีวันผ่านไปสักสิบปีได้นะมีวันมีคนขขับรถเข้าไปหาผมถึงโน่ะผมไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดน่นเป็นตอนนั้นจะเป็นแค่ร้อยเอกนั่นเองเขาก็มาขอซื้อนะมาขอซื้อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตั้งหลายตังนะ เขขึ้นราคาเรื่อยให้เรื่อยนะจากหมื่นเป็นเป็ น, ปนหลายหมื่นอะไรเนี่ยนะเราก็ไม่ขายพอเรากลับไปดูคิงปรากฏว่ามันก็จเจริญแล้วเนี่ยน ะ, จะเจริญแล้วเราก็ไม่ขายพอไม่ขายเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยเรามาขายได้ชื่อมาสองพันท่าก็ขายไปได้สองแสนห้าโอ้สองแสนหนี่มันก็ปลูบ้านได้นะสมัยนั้นอะปูบ้านได้หลังใ ห, ใหญ่ๆหลังอะผมก็คิดถึงเจ้าเอกเจ้าของอ่ะชื่ออิตาลุมชื่ออิตาลุม นาตะกุลเคหานะที่ตะลุมเคหาสองคนผัวเมียโจนๆ น, นะเขาหนีเสือหลีกก็ไปอยู่จังหวัดประจวบแล้วเขาก็ไปอยู่ไอ้กระต๊อบริมทะเลนะผมก็พกเงินไปเาเอขายที่ได้ตอนแราผมขายได้ต้องขายไปสองแสนห้าผมพกเงินไปห้าพันบาทขับรถไปให้เขานะแล้วก็เขาก็ตกใจนะเขาไม่รู้เอ๊ะเ้าหมายขามันผ่านไปนัวสิบปีเลย ต้อนะงชัวร์เขาออกมานอกบ้านมาให้ลูกๆมันรู้เดี๋ยวกลัวลูกมันไถอะ่ะใช่ไหม <c oughs> นะเอาไปให้ห้าพันบาทแล้วนะผมคิดถึงครั้งใหนนะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเรารู้สึกว่าเออเราปลื้มปิติว่าเออเราได้ทําแล้วผมก็ทําอย่างนี้มาหลายลายนะครับแม้แต่ที่นี่ <c oughs> ที่ผมซื้อที่เขาไปเนี่ยอเจ้าของก็อยู่ไกลๆนี่ยใช่ไหมผมก็แอบประทังไปให้ไม่ให้ลูกหลานก็เห็นน่ะไปเขาใช้บ้างเท่านั้นเองเนี่ยนะคร นี่ก็ไม่ใช่มายกมาความดีอะไรน<ม>ั่นนะพี่แต่ว่าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าคือถ้าเราเป็นเจ้าของที่เนี่ยนะเขาก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเขามาเห็นที่เขาก็าต้องนึกเสียดายก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะก็เ อ, เอาสตังแอบไปให้ให้เขาใช้งอยู่เลยครับแก่ๆนะลูกเต้าก็ไม่ค่อยดูแลเท่าไหรนะ่นะนี่นี่ก็เป็นเรื่องของเรื่องคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ควรมีที่ควรมีนะฮะ ส่วนลูกหลานเขานรับทางานในนี้หมดเลยนะเขามาทำงานในนี้นะนะหลายคนนะแต่ว่าลูกเขาไม่รู้หรอกครับคนแถวนี้ก็ไม่รู้เพราะให้รู้ไม่ได้ครับเดี๋ยวก็มาขออีกครับนั่นก็ผู้ที่กระตันยูเนี่ยนมันก็เป็นเครื่องหมายของของคนดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าระลึกถึงอุปการะเอาไวก้ก่อน คนที่ระลึกถึงอุปการะที่ทำเอาไว้ก่อนเนี่ยนะจึงเป็นบุคคลที่เรียกว่าเจริญด้วยคุณธรรมชั้นสูงสูงต่อไปได้นะเช่นว่าถ้าไม่ระลึกถึงบุญที่ทําเอาไว้ให้มากแล้วเป็นต้นเนี่ยนะที่หรือจะบําเพ็ญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกก็นับว่ยากเพราะฉะนั้นในอัตถกถามูลปริยยสูตรเป็นต้นเนี่ยนะที่กล่าวถึง อะไรนะกล่าวถึงสัตว์บุรุษใช่ไหมกล่าวถึงสัตว์บูรุษเทว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่า ก, กตันยูพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ระลึกถึงอุปการะที่ระลึกถึงบุญที่ตัวเองเนี่ยได้ทําเอาไว้อย่างมากแม้กระทั่งพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะพระองค์ไปเที่ยวโปรดหลายท่านเนี่ยเพราะบุคคลนั้นมีอุปการะมากต่อพระองค์ที่ที่ช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพาน เช่นพระองค์ไปไปสงเคราะห์ผานางพิมพาเนี่ยนะยะโสธราพิมพาเนี่ยไปสงเคราะห์เท่าเพราะระลึกถึงบุญบุญคุณของพระนางว่าถ้าไม่มีพระนางเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ได้เอาธาระบริจาค ก, กันนะก็ไม่ได้มีโอกาสบริจาคพิริยาอะไรเพราะก็เห็นร ะ, ะลึกถึงคุณอันนั้นของนางกันนะก็เลยไปไปสงเคราะห์ใช่ไหมแม้กระทั่งไปสงเคราะห์บุคคลอื่นๆหลายคนเนี่ยเพราะร ะ, ะลึกถึง และลึกถึงคนที่บุคคล น, นั้นเคยมีอุปการะคุณแม้กระทั่งในชาติก่อนๆนหน้านั้นมาอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีพระพิสุท์ที่เรียกว่าใช่ไม่ได้ตั้งหลายรูปนะแต่พระองค์ก็ก็ยังให้ข้อบวชอยู่นั่นแหละก็ยังแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนแต่ถ้าศึกษาให้ดีนะบางชาดกเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเคยเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเคยเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์อย่างพระอุทายีเลเธอเนี่ยนะขี้หลงขี้ลืมเนี่ย พระองค์ก็รละลึกว่าอดีตชาติเขาก็เคยเป็นพ่อของของพระองค์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ความที่พระองค์ก็ยังสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาท่านพระองค์นี้เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นกระตันยูนะขออภยัยเป็นกระตันยูบุคคลจริงๆเป็นบุคคลที่ระลึกถึงคุณที่ผู้อื่นทำแล้วก็ในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นกร ะ, กระตะเวทีบุคคลตอบแทนคุณต่อผู้ที่ได้ไ ด, ได้ได้กระทาต่อพระองค์เนี่ยนะ และที่สําคัญนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุมรรคผลเนี่ยจะต้องมีกระตันยูอันนี้เอาไว้ในใจรละลึกถึงบุญทั้งหลายที่เราได้ทําไปถ้าเราไม่ระลึกถึงบุญที่เราทําเลยไม่ได้ถามจะเอาอะไรมาเป็นปีติสัมโพชงมั่งมาเป็นที่ตั้งแห่งปีติและปราโมทเพราะฉะนั้นก็ต้องหมันละลึกถึงบุญทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้บําเพ็ญไปได้ปฏิบัติไปนั้นกระตันยูนั้นจึงนับว่าเป็น มงคลแต่ที่สําคัญที่สุดเห็นเห็นอยู่นะยังไงยังไงก็ต้องควรกตันยูก่อนตายนะนึกถึงบุญก่อนตายนี่นับว่าเนี่แหละจะเป็นมงคลจริงๆละจะรู้ว่าความเป็นมงคลอยู่ตรงนั้นใช่ไหมถ้าก่อนตายแลย้วนึกถึงบุญไม่ได้เลยกตันยูถึงบุญไม่ได้แม้แต่อันเดียวคือโดยศัพท์เนี่ยกระตะเนี่ยแปลว่าเสร็จแล้วยูเนี่แปลว่ารู้ไงกระตันยูก็คือรู้ถึงสิ่งที่ทําสิ่งที่เคยทําไปเสร็จแล้วเนี่ยนะ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 แต่ตรงนี้ฟังให้ดีนะไม่ให้ไปละลึกถึงบุคคลที่เราเคยทําคุณกับเขาไม่ได้ไปละลึกถึงบุคคลแต่และลึกถึงคุณธรรมที่เราได้ทําลงไปเพราะเราทั้งหลายคงทําเอาบุญใช่ไหมคงไม่ทําเอาคุณนะนะถ้าทําเอาคุณเดี๋ยวก็ลําบากใบทวงคุณอีกนะนะเดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าใช่ไ้มค่าบุญคุณนะนะจะเสียคนกลับมาในตอนนั้นแหละ ส่วนการฟังธรรมตามการนี้คงเป็นภาคค่ำมั้งเนะาะภาคนี้ก็ใครจะเอาอะไรมาสนทนาบ้างก็ได้นะเว่ารายละเอียดในเกี่ยวกับเรื่องการฟังธรรมการเนี่ยมีมีค่อนข้างยาวนะแต่ก็ตั้งใจว่ามงคล น, นั้นควรจะจบภายในคืนนี้เพราะว่าถ้าเลยคืนนี้ไปเดี๋ยวจะอับประมงคน ล, ละเพราะว่าอาจารย์ท่าน ที่เนี่ยนะเราขายถูกมากเลยสองวันท่านได้ไปสิบหกชั่วโมงผมไปที่นู่นสองวันได้ไปสิบชั่วโมงท่านมีอะไรจะสนทนาไหมครับท่านยกปัญหาขึ้นมาหรือว่าจะถามปัญหาอะไรก็ได้ครับหรือใครจะมาช่วยตอบปัญหาก็ได้ก็มีท่านที่ผู้รู้หลายคนนะครับหรือว่าท่านจะถามปัญหาอะไรถามคุณทารินีผมบ้างไครับคุณทารินีเลย ไหนลองไหนนะเป็นผู้ที่ไฝ่ในการศึกษาธรรมะนะครับสนใจศึกษาธรรมะนะฮะไหนยืนให้ชมหน่อยสิจะได้เขาจะได้ชื่น อ, อกชื่นใจอนุโมทนานี่นี่คุณทาลินีครับครับครับครั บ, ร บ, รบจะมีอะไรถามคุณทาลินีสัก ปัญหาหนึ่งครับสักข้อหนึ่งยากง่ายไม่ว่ากันถ้ายากก็ตอบไม่ได้ก็แล้วไปอาจารย์ตอบแทนนะว่าถามอะไรก็ได้อถามดิถามเพื่อเป็นการเพื่อความคุ้นเคยเพื่อความเกี่ยวข้องเพื่อความสัมพันธ์กันเนะืว่าออาคุณอิก ไม่ต้องกลัวว่าง่ายยากไม่ไม่ใช่เป็นการลองภูไม่ใช่เป็นการอะไรทั้งสิน้นนะถามด้วยความเมตตาถามไม่ได้คุรธานีบอกไม่ได้รับรองได้กันไม่ไม่ไมค่ะก็พวกเราก็คงจะสนใจเรื่องสิกขาสามกันนะนะคะเพราะว่าเราก็เป็นผู้เรียนใหม่กันทั้งนั้นเลยอยากจะเรียนถามว่า ในการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปในสิกขาสามเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติไปแค่ไหนอย่างไรและก็ปฏิบัติอย่างไรบ้าง่ะคะที่จะให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นในสิกขาทั้งสามคือก่อนจะตอบนะผมก็ลืมแ น, นะนำไปว่าคุณทารินีนี่นะก็ได้ศึกษาธรรมะอยู่ในแนวเดิมเดิมเหมือนอย่างพวกท่านทั้งหลายนี่มานานพอสมควรเคยไป สนทนาทรมที่เขาเต่ามาแล้วเนี่ยาก็รุ่นเขาเต่ากันนะเนี่ยเนะเนี่ยรุ่นเขาเต่านะฮะไปพร้อมๆกับนี่แหละไปที่หลังผมหน่อยนะฮะก็หลายปีอยู่นะแล้วก็กุณทาลินีนะฮะเป็นผู้ที่สนใจคัมภีร์นะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ทําหนังสือทั้งหลายนะฮะเช่นหนังสือที่เราเรียนเรียนกันอยู่เนี่ยพระอาจารย์ได้มอบหมาย ได้มอบความไว้วางใจให้คุณธารินีเนี่ยเป็นคนทานะฮะเพราะฉะนั้นหนังสือทุกเล่มที่นี่นะฮะมาจากฝีมือของคุณธารินีทั้งนั้นเอาคุณธารินีตอบปัญห า, เ, าเรื่องการเจริญใจสึกขานี่จากการศึกษาละมีมีความเข้าใจข้อปฏิบัติคือคือโครงสร้างที่พระอาจารย์กรุณ า, าชี้ให้เห็นนะฮะ ก็นำออามาปฏิบัติในเรื่องของศีนเนี่ยจะจะมีการพิจารณาแบบนี้ว่า พ, พิ จ, พจารณาโทษเนี่ยอันนิสงของการที่ว่ารักษาศีนเนี่ยมียังไงก็ทำให้ทาให้ปฏิบัติศีได้ได้อย่าง อย่างปกตินะฮะคำว่าปกตินี้ไม่ทราบว่าแค่ไหนไม่ทราบคือหมายคำว่าปกติคือเป็นที่พอใจหมายคำว่าระลึกแล้วสบายใจเป็นกตันอยูตาหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงค่ะ เ, เป็นลักษณะแบบนั้นและอีกอย่างหนึ่งที่ที่ทําให้เอามาพิจารณาทำให้มีการรักษาศิ่งก็คือ ใน้่วยอางไม่เป็นยังไงนะอ่ะดังแล้วนะคะค่ะก็คือ จะพิจารณาเรื่องวัตถุ ก, กรรมมากเกี่ยวกับเรื่องศีลแต่และข้อถ้าเราเอาวัตถุ ก, กรรมเนี่ยมาพิจารณาถึงโทษให้มากเนี่ยก็จะให้เรามีการระวังในเรื่องศีลมากขึ้นอันนี้อันนี้คือหลักในการปฏิบัติในเกี่ยวกับศีลถ้าเป็นเกี่ยวกับจิตคืออธิจิตตสิกขาเนี่ยจะพิจารณาโทษของกิเลส ก, กรรมที่เกิดขึ้นในใจกับอั น, นิสงของการไม่ไม่ถูกนิวรกุ้มรุม พอมีบิหลักแบบนี้ปุ๊บเราก็จะอบรมสมถะทั้งหลายตามสมควรกับนิวรณ์เกิดขึ้นและสำหรับปัญญานี้จะพิจนารณาลักษณะว่าโทษของภายในสังสารวัตที่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ว่าจะในภพภูมิไหนก็จะต้องมีการเวียนกลับมาอีก เพราะฉะนั้นการพิจารณาธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้มีการอบรมเจริญปัญญามากขึ้นอันนี้คือคือหลักทุกวันที่ที่เอามาปฏิบัติเรียกว่าคุณทารินี <c oughs> เ, เห็นภายในวัตตะนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะับผู้ใดยังไม่เห็นภายในวัตตะนะั่ก็ ก็การศึกษาก็จะไม่ค่อยก้าวหน้านะยังเพลิดเพลิ อ, อยู่ในวัตตาก็ยังอยู่ต่อไปน ะ, นะฮะก็แสดงว่าเห็นโทษของวัตตานี่ก็มีกรรมสกตาปัญญาดีเหมือนกันเถอนนะฮะแล้วกรรมสกตาปัญญาสมารถที่ถีเนี่ยเป็นพื้นฐานมากมากเลยที่จะต้องรู้ท่านมีอะไรไหมครับคุณอาจารย์อีจะถามอะไรไหมครับอาจารย์ ถ้าพูดถึงเรื่องของวัตฏะเนี่ยนะเราไม่เห็นโทษก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าจะกล่าวในหนึ่งแต่เพียงถึงเราและลึกถึงความเป็นไปในวัตตะเนี่ยนะคือละเลิกไปบ่อยๆแล้วจะเห็นโทษเองในตอนต้นถึงยังไม่เห็นนะพยายามทบทวนดูเถอะก็คำหนึ่งที่คุณทรีนีพูดนี่ก็น่าคิดอยู่คำว่าสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราจะเป็นถ้าเรายังละไม่ได้นะถ้าเรายังทาที่สุดแทงทุกข์ไม่ได้นะ นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปรับไปเสวยใช่ไหมพ้นตัว อ, อย่างคือถ้าเรายังมีการปฏิสนธิยังมีการเกิดเนี่ยนะอะไรมั่งที่เราเป็นไม่ได้ตั้งแต่ยาจกจนถึงมหากษัตริย์เนี่ยนะอะไรมั่งที่เราเป็นไม่ได้ถ้าเราเป็นยาจกปัญหาก็ปัญหาแบบยาจกเนี่ยนะปัญหาแบบขอทานก็มีปัญหาของขอทานะ่ะถ้าเราเป็นกรรมกรก็มีปัญหาแบบกรรมกรถ้าเราเป็นชาวไร่ชาวนาก็จะเป็นมีปัญหาแบบชาวไร่ชาวนา เป็นชาวสวนก็มีปัญหาแบบชาวสวนแลต้องปิดถนนแบบนี้นะแต่เป็นชาวประมงก็ต้องมีปัญหาแบบนักประมงถ้ามีเป็นชาวเมืองก็มีปัญหาแบบคนเมืองทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็จะรับภาระในส่วนนั้นๆขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราใช้สอยเนี่ยเราต้องมาสร้างในสิ่งเหล่านั้นอีกพบหนึ่งชาติหนึ่งเราถ้าเห็นอาคารแบบนี้ใช่ไหมอีกพบชาติหนึ่งเราเป็นช่างเราก็ต้องมายกมาแบกมาหามเพื่อก่อร่างสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นอีกภาคหนึ่งเราก็ใช้สอย เห็นไม้เห็นปลวกมันผุถ้าเรายังเป็นมีมิจฉาทิ่ฐิอยู่ก็ไม่ได้พ้นจากการมาแทะไม้หรอกอย่างนั้นเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมดเป็นปลวกแล้วก็ถ้ากล่าวตามสภาวะแล้วอดีตเราเคยเป็นมาหมดแล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ตัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับข้างหน้าอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ว่า เอาเอาคิดให้ดีนะว่าประวัติของคนในโลกนี้สมมติว่าร่วมหกพันล้านมาคิดนะว่าผู้ที่มีความสุขจริงๆมีกี่คน<ม>ผู้ที่เข้าถึงสุขจริงๆนะร่วมหกพันล้านคนทั่วโลกเลยนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยแบกน้ําหนักตัวเองก่อนนะนี่เห็นเห็นเลยนะคนละออกมาตอนนี้เจ็ดสิบปาแล้วนะหนังกันนะโอ้โแบกน้ําหนักตัวเองไปเถอะนะไปที่ไหนก็แบกไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะถามว่าสนุกไหมละ่ะเออ ต้องขนย้ายถ่ายเทเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปโน่นมานี่แบกน้ำหนักอะทุกคนก็แบกตามสมควรแก่ฐานะจะไม่ตัวเล็กก็แบกน้อยตัวใหญ่ก็แบกมากอย่างนั้นก็แบกขาดแบกร่างกายแบกสุขภาพแบกขันท่าแบกรูปแบกเวทนาทุกคนมีภาระเหมือนกันหมดถ้าเป็นตัวเล็กเท่ามดเลยนะแบกมันก็ไม่ค่อยหนักใช่ไหมแต่มันไปแบกอย่างอื่นดีกว่สิอย่านันอันนั้นพ้นสังขารทั้งหลายที่อยู่ในวตานทักิทบทวนให้ดีๆนั้นจึงไม่น่า เพลิดเพลินสักเท่าไรหรอกแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเห็นแต่อาสาทะนะทุกอย่างก็มีอาทีนวะอยู่ด้วยลึกถึงพุทธพจน์เอาไว้ให้เสมอว่าเพลิดเพลินกับสิ่งใดเราจักร้องให้เพราะสิ่งนั้นสนุกสนานเพราะสิ่งใดเราจะเสียใจเพราะสิ่งนั้นเราให้ความหวังกับสิ่งใดมหาภัยก็จะมาจากสิ่งนั้นเนีย่ยนะอย่างบุคคลที่เพลิดเพลินกับบุตรใช่ไหมดีใจมากเลยที่ได้ลูก หลังจากนั้นก็จะท่มทมทุกพะลูกอีกนอนเนี่ยนะกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละเนี่ยนะเพราะนั้นทุกอย่างที่เรามีเราเป็นเราเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกแต่ว่ารู้ว่ารวบยอดทุกเหล่านั้นก็คืออะไรขันท่าหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจทําำไงเราจะปลดเปื้องฉันทราค่าจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนันการเห็นตามเป็นจริงความเป็นจริงของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไง พงษ์ก็บอกตรงๆอยู่แล้วใช่ไหมเป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาก็มีความเกิดเป็นเบื้องต้นใช่ไหมดำรงอยู่เรียกว่าชราในที่สุดก็แตกทําลายแต่ตาของเราที่มีอยู่นะเป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวะทุกขโทมนัสขนาดไหนหูที่เราได้ยินเสียงเนี่ยนะหูตัวนี้เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตขนาดไหนมีปากมีท้องนะอปากท้องนี่เป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวะ ทุกขโทมนั้นอุปาญาตขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายหลายท่านที่นี่สาธยายอาทิตตะปริยัจซูตรนั่นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจัรย์สาทยายต่อไปเถิเดนะจะรู้ว่าขันห้าเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งชาติราคะโทสะโมหะเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรา ม, มรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเพราะขันห้าเป็นของร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนร้อนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของราคะบ้าง เป็นที่อาศัยเกิดของโทสะบ้างเป็นที่อาศัยเกิดของโมหะบ้างตัวเขาเองเป็นตัวที่เกิดธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาแล้วก็ตายเป็นธรรมดาอาศัยสิ่งเหล่านี้นะ่ะร้องให้มากี่ครั้งแล้วนะของมานี่ร้องให้ไม่ต่ำกว่าร้0ยครั้งนะเกิดมาชาตินี้อดีไม่ดีอาจจะถึงพันครั้งด้วยซ้าไปนะคนอื่นนี่ไม่เท่าไหร่ใช่หม ตอนเด็กๆท่านว่าไงครับตอนเด็กๆตอนท่านเลี้ยงง่าย อ, าอยากครับโอ้ตอนเด็กๆ เ, เนี่ยนะสงสยัยวันไหนที่ไม่ร้องให้อะวันนั้นไม่รู้วันอะไรไม่ทราบแต่ว่าช็เข้าใจว่าเท่าที่เล่าก็ไม่น่าจะวันละสิบยีบครั้งได้เลยนะนั้นก็เรียกว่าเป็นเด็กที่มากไปด้วยโทมนับอะไรเงี้ยครับร้องให้จนยาก็บอก้อยมันน่าจะตายได้แล้วนะรัคานมากอะไรเงี้ย แล้วก็ทุกโทมนัทเนี่ยก็นับว่าเกิดขึ้นมากมันแต่ละคนก็มีบางคนนะก็ขี้งแงหน่อยใช่ไหมก็จะร้องให้แปลงออกเสียงออกมาบางคนก็เก็บลึกภายในใจแต่เครียดนะรู้แต่ว่าโทสะกัดฟันหน้าดั่มเลยนะก็ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่เปล่งเสียงไม่ทําจิตตชรูปบางอย่างออกมาเท่านั้นแต่ที่รวมรวมเหมือนกันคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัทและอุปายาตเพราะสิ่งที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาในชีวิตเราอันไหนมากกว่ากัน สิ่งที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนามเมื่อสิ่งที่ไม่น่าปรารถนามีมากทุกโทมนัสเราก็มีมากอุปายาตของเราทั้งหลายก็มีมากเพราะฉะนั้นถ้าตามสายตาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ชี้นําว่าควรแล้วที่เธอทั้งหลายจักเบอร์นายควรแล้วที่จะคลายกําหนัดพอสมควรแล้วที่จะหลุดพ้นเพราะว่าสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แหละเราจะเกิดตายตา ย, ตายเกิดอีกกระดูกกองตัวเข้าภูเขารอ บ, รอบๆที่ล้อมอยู่แถวๆรีสอร์ทนี้ก็ ก็มีปัญหารับภาระอยู่เท่านี้แหละเนี่ยก็มีเนี่ยชาสายบ่ายเย็นค่ำตาหูจมูกลิ้นกายใจหัวเราะร้องให้ดีใจเสียใจก็ไม่ต่างอะไรจากเด็กเล่นนะเนเด็กของเด็กเล่นนะน <ใช S 1> ก็เมื่อมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยนะเขาแข่งกันสร้างบ้านเขาสร้างบ้านเป็นเป็นใช้ไม้เนี่ยสร้างสร้างก็ก็แต่ละคนก็พยายามจะอวดความมีฐานะของตนเนี่ยนะ พยายามไปเที่ยวกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็มาสร้างบ้านเป็นบ้านไม้เสาไม้สร้างไปห้าปีใช้หนี้ยังไม่เสร็จเลยนะปลวกมันขึ้นไปเต็มหมดก็รือ้อบ้านหลังนั้นมาเนี่ยนะหนี้เก่าก็เพิ่งใช้เสร็จก็เตรียมกู้ใหม่เพื่อจะสร้างหลังใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยนะสร้างไปสร้างมายังไม่ทันไรก็ต้องรื้อมาสร้างใหม่อีกนะนะก็เลยอาชีพสร้างสร้างบ้านกระือบ้านหาหาไม้มาจะสร้างบ้านว่าเอ๊ะหมดไปอีกชาติหนึ่ง อย่างนึกว่ามันได้เท่านี้หรือชีวิตชีวิตมันมีอยู่เท่านี้หรือเรามาหาเพื่อสิ่งเหล่านี้หรือเรามามาเล่นขายของอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือซึ่งก็อย่างว่านะมันมีอะไรอิ่มจริงๆบ้างชีวิตที่ผ่านมาจานแดงฝันถึงแม่บ่อยไหมก็เหมือนฝันนะว่าจริงๆก็เหมือนฝันถึงตอนนี้ก็ตอนก่อนก็เหมือนฝันชีวิตที่ผ่านมาทุกเรื่องเหมือนฝันหมด อันนะั้นแล้วก็ไม่ได้อร่อยอร่อยอะไรอย่างจริงจังนนะนะทุกอย่างเหมือนฝันหมดเลยกามทั้งหลายพระองค์เปรียบเหมือนความฝันรูปเสียงกลิ่นรสโพชภาพประดุดความฝันความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เหมือนฝันก็ฝันว่าเคยเป็นนายทหารหนุ่มรูปหลอ่อเนี่ยนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะักเรียนร้อยแล้วนะหมดเวลาแล้วนะภาคคำเดี๋ยวรอพบกันตอนคำทานกูเอาตัวอย่างแถวๆนี้ รีสอร์ทนะรื้อแล้วก็สร้างใหม่รื้อใหม่สร้างใหม่ท่านเห็นด้วยอตรงนี้ต้องรื้อทิ้งอีกแล้วทั้งปลูกทั้งไอความกร่อนทั้งมันนะครับมีใหมสร้างใหม่อยู่นั่นะกระต๊อบเนี่ยนะก็รื้อสร้างสร้างรื้อรื้อสร้างสร้างรื้อต้นไม้ก็ปลูกปลูกแล้วก็ถอนถอนแล้วก็ปลูกปลูกแล้วก็ถอนถอนเสร็จจะได้ปลูกอีกเนี่ยนะก็ถามคุณโชคเดียร์ก็อยู่เท่านั้นอาจารย์สันติมานจะย้าอะไรไหมอาจารย์สันติมีอะไรจะ เรกีกว่าอะไรนะบทสรุปบทสรุป <laughs> <c oughs> <laughs> นะนะก็คงอีกสักพักหนึ่งอ่ะ น, นะเราก็อีกเจอกันตอนกี่โมงนะ <c oughs> อ่านะหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มก็คงพร้อมเพียงกันขณะนี้ก็คงแยกย้ายกันไปเจริญมงคลข้ออื่นๆต่อไป <c oughs> อฝนตกนะฝนตกก็ให้ได้มงคลข้อใดข้อหนึ่งไปก่นแล้วกันตรารบฝน